อธิบายศีลห้าอย่างหมวดที่หนึ่งปัญจากาที่หนึ่งของส่วนที่จัดเป็นศีลห้าอย่างนักศึกษาพึงทราบอธาธิบายโดยยากเป็นอนุปสัมปนศีลเป็นต้นดังต่อไปนี้ก็ลาพระธรรมมาเสนาบดีสาริพุตตะกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักดังนี้ปริยันต์ปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไร ศีลของอนุปัสมบันิทั้งหลายผู้มีสิกขาบทเป็นที่สุดนี้จัดเป็นปริยันต์ปาริสุดที่ศีลอปาริยัญตะปาริสุดที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของอุปัสมบัตทั้งหลายผู้มีสิกขาไม่มีที่สุดนี้จัดเป็นอปาริยันตะปาริสุที่ศีลปริปุญณะปาริสุดที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของกาลยานปุถุชนทั้งหลาย ผู้ประกอบในกุศลธรรมผู้กระทำให้บริบูรณ์ในธรรมะอันจรดแดนแห่งพระเสขะผู้ไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตผู้มีชีวิตอันสละแล้วนี้จัดเป็นปาริปุญณนะปาริสุทที่ศีลอัปรามัตถะปาริสุทที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของพระเสขะบุคคลทั้งหลายเจ็ดจำพวก นี้จัดเป็นอปป a r a m a t t h a p a r i y u t t ีลปฏิปัสสติปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของพระคีนาศบทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าศีลของพระปัเจกพุทธเจ้กกธธาทั้งหลายศีลของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จัดเป็นปฏิปัสสธิ pariyutthi สีล ในบรรดาศีลเหล่านั้นศีลของอนุปัสสมปันทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นปริยันตปาริสุทธิศีลเพราะเป็นศีลมีที่สุดด้วยอำนาจแห่งการนับศีลของอุปสัมปันทั้งหลายถึงแม้จะมีที่สุดด้วยสามารถแห่งการนับอย่างนี้ว่าสังวรวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเวลวเหล่านั้นคือเ0้าพสศิขาบท80ร้อยโกดสิขาบท ห้าสิบแสนิกขาบทและอื่นๆอีก36สิกขาบทรวมเป็นหนึ่งหมื่นเจดพันโกดห้าล้านสามสิบหกิกขาบทสิกขาทั้งหลายในวินัยปิฎกทรงแสดงไว้ด้วยมุกเกิดไปยานดังนี้ก็ตามพึงทราบว่าคงเป็นอปริยันตาปาลิสุทธิศีลเพราะหมายเอาภาวะสมท า, านโดยไม่มีส่วนเหลือ และภาวะที่มาแสดงที่สุดได้ด้วยอำนาจลาบยศญาตองค์อวัยวะและชีวิตเหมือนศีลของพระอัมพขาตกะมหาติสะเทระผู้อยู่ในจิระคุมพระวิหารเรื่องพระอัมพขาตกะมหาติสะเทระจริงอย่างนั้นท่านพระมหาเทระนั้นไม่ละสัปปุริสานุสติข้อนี้คือ นรชนพึงยอมสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งองค์อวัยวะอันประเสริฐเมื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตก็พึงยอมเสียสละองค์อวัยวะเมื่อระลึกถึงธรรมะก็พึงยอมเสียสละทรัพย์องค์อวัยวะและชีวิตแม้หมดทุกอย่างแม้เมื่อความสงสัยในชีวิตมีอยู่ท่านก็ไม่ยอมล่วงละเมิดศิกขาบทอาศัยอภปริยันตะปาริสุทธิศีนั่นแหละ และบรรลุพระอระหันตทั้งที่อยู่บนหลังอุบาสกนั่นเทียวสมดังที่ท่านพระมหาเทระนั้นกล่าวนิพน์ทักถาไว้ว่าอุบาสกนี้มิใช่บิดามิใช่มารดามิใช่ญาติทั้งมิใช่เผ่าพันธ์ของเธอเขากระทํากิจเช่นนั้นให้แก่เธอก็เพราะเหตุแห่งเธอเป็นผู้มีศีลท่านทําความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยกคาย แดบรรลพระอระหันต ท, ทั้งทั้งที่อยู่บนหลังของอุบาสกนั้นฉาตนี้ศีลของการญาณปูตุชนทั้งหลายแม้ปราศจากมวลทินเพียงชั่วจิตตุบาทหนึ่งก็สําเร็จเป็นปทัทฐานแก่พระอระหันตได้เหมือนกันเพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งนับแต่อุปสมบทมาเหมือนชาติมณีที่นายช่างเจรณาดีแล้วและเหมือนทองคํา ที่นายช่างทำบริการดีแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นปริปุณณะปาริสุดที่ศีลเหมือนศีลของพระมหาสังขรากิตเถระและพระสังขราชิตเถ ร, ร ะ, ระรผู้หลานเรื่องพระมหาสังขราชิตเถระได้ยินว่าภิกษุสงฆ์ ได้เรียนถามถึงการบรรลุโลกุตระธรรมกับพระมหาสังคารคิตะเทระผู้มีพรรษาเกินห0สิบไปแล้วซึ่งนอนอยู่บนเตียงที่จะถึงแก่มรณภาพพระเทระตอบว่าโลกุตรธรรมของฉันไม่มีลำดับนั้นภิกษุหนุ่มอุปถาของท่านกราบเรียนว่าท่านขอรับพวกมนุษย์ตั้งส2บสองยอโดยรอบประชุมกันด้วยสาคัญว่า ท่านจะปรินิพานความเดือดร้อนใจจกมีแก่มหาชนเพราะท่านถึงแก่มรณาภาพเป็นปุถุชนพระเถระพูดว่าเธอฉันไม่เริ่มทำวิปัสสนาด้วยคิดว่าจะรอพบพระผู้มีพระภาคเมตไตรถ้าเช่นนั้นเธอจงพยุงให้ฉันนั่งกระทำโอกาสให้ฉันพระภิกษุหนุ่มนั้น พยุงให้พระเทระนั่งแล้วก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับการออกไปข้างนอกของภิกษุหนุ่มนั่นแหละพระเทระได้บรรลุพระอระหันต์แล้วได้ให้สัญญาด้วยการดีดนิ้วมือส่งประชุมกันแล้วเรียนว่าท่านขอรับท่านทําให้โลกจะระทำบังเกิดในเวลาใกล้จะมรณภาพเห็นปานนี้ชื่อว่าท่านได้กระทําสิ่งที่กระทําได้ด้วยยาก ราเทระตอบว่านี้ไม่ใช่สิ่งกระทำได้ด้วยยากหรอกอาวุโสทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากฉันจะบอกแก่เธอทั้งหลายคืออาวุโสทั้งหลายนับจําเดิมตั้งแต่เวลาที่ฉันบวชแล้วมาฉันระลึกไม่ได้เลยว่ามีกรรมที่ฉันกระทำไปด้วยความไม่รู้โดยไม่มีสติฝ่ายพระสังฆราชิตะเทระ ผู้หลานของท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนอย่างเดียวกันในเวลามีพรรษาห้าสิบชนีภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตาน้อยทั้งเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะคอรหาภิกษุนั้นได้โดยศีลและโดยสุตตะทั้งสองสถานภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตาน้อย แต่เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะสันเซิญภิกษุนั้นโดยศีลแต่สุตตะย่อมไม่สำเร็จแก่เธอภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตะมากแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะคอรหาภิกษุนั้นได้โดยศีลแต่สุตตะย่อมไม่สำเร็จแก่เธอภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตตะมากทั้งเป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีลบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นโดยศีลและสุตตะทั้งสองสถานใครเล่าควรที่จะนินทาพระพุทธสาวกนั้นผู้พหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาดีดุดแทงแห่งทองคําจมพูนตพระพุทธสาวกนั้นแม้ฝูงเทวดาก็เฉยชมทั้งพรหมก็สรรเสริญ อันหนึ่งศีลของพระเสขาบุคคลทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นอปปรามทัทปาริสุทธิศีลเพราะเป็นศีลที่ไม่ได้ลูกคลำด้วยอํานาจแห่งทิฏฐิอีกในยะหนึ่งศีลที่ไม่ลูกคลำด้วยอํานาจแห่งราคะของปุถุชนทั้งหลายพึงทราบว่าอปปรามทัทปาริสุทธิศีลเหมือนศีลของพระกุตุมพิยบุตตติสเถระ เรื่องพระกุตุมพิยาปุตตติสสะเทระก็แลพระผู้เป็นเจ้ากุตุมพิยบุตตะติสสะเทระนั้นอาศัยศีลเห็นปานนั้นแล้วเป็นผู้ปรารถนาที่จะตั้งตนไว้ในพระอระหัตจึงได้กล่าวรับรองกับหมู่โจรผู้ไัยรีว่าอัตมาจะทำลายเท้าทั้งสองและทำสัญญาให้แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายอมรังเกียจ ย่อมละอายต่อความตายที่ยังมีราคาข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยกคายก็ได้บรรลุพระอรหันตเมื่อรุ่งอรุณพอดีเรื่องพระมหาเทระรูปใดรูปหนึ่งแม้พระมหาเทระรูปใดรูปหนึ่งนั้นต้องอาพาธอย่างหนักไม่อาจที่จะฉันแม้อาหารด้วยมือของตนได้ นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและกรีสะของตนภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งเห็นอาการของท่านนั้นแล้วพูดว่าโอ้หนอสังขารคือชีวิตเป็นทุกข์พระมหาเทระได้พูดกับภิกษุหนุ่มนั้นว่ า, วาเธอฉันตายลงเดี๋ยวนี้ก็จะได้สวรรค์สมบัติฉันไม่มีความสงสัยในข้อนี้ขึ้นชื่อว่าสมบัติที่ได้มาเพราะทาลายศีลนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับได้ความเป็นข้ารหัดเพราะบอกคืนสิกขาครั้นแล้วจึงได้ตัดใจว่าเราจะตายพร้อมกับศีลนี้นั่นเทียวนอนอยู่หน้าที่นั้นนั่นแหละพิจารณาโรคนั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้พยากรณ์แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยนิพนธะคาถาเหล่านี้ว่า <c oughs> เมื่อข้าพเจ้าต้องพยาธิอย่างใดอย่างหนึ่งถูกโรคเสียดแทงเป็นทุกข์ขนาดหนัก กะเลวรากอันนี้ก็เหี่ยวแห้งลงเร็วเหมือนดอกม้ที่เขาหมกไว้ในฝุน่นกลางแดดกะเลวรากนี้เป็นสิ่งไม่น่าพึงใจคนพานกลับถือว่าเป็นสิ่งน่าพึงใจกะเลวรากนี้เป็นของไม่สะอาดคนพานกลับเห็นว่าเป็นของสะอาดกะเลวรากนี้เต็มเพียบด้วยซากศพนานาชนิกก็ยังเป็นรูปอันน่าพึงใจสาหรับผู้มองไม่เห็นความจริง ประชาชนทั้งหลายมัวเป็นผู้ประมาทเริงหลงอยู่ในกะเลวรากนี้อันอาดูลเปื่อยเนา่ามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดมีพยาธิประจำจนทําทางสำหรับสู่สุคติให้เสียไปอันหนึ่งศีลของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้นพึงทราบว่าปฏิปสัสสิปาริสุทธิศีล เพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ์โดยทำความกระวนกระวายทั้งปวงให้สงบระงับศีลห้าอย่างโดยแยกเป็นปริยันต์บปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลห้าอย่างหมวดที่สอง นักศึกษาพึงทราบอ ธ, าธิบายในศีลห้าอย่างหมวดที่สองด้วยสามารถแห่งการประหารบาปธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นดังต่อไปนี้สมดังที่ท่านพระธรรมมาเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิามักว่าศีลห้าคือหนึ่งปานะหรือปรารการประหารซึ่งปานาติบาตชื่อว่าศีล สเวรมะนีความงดเว้นชื่อว่าศีลสเจตนาความจงใจชื่อว่าศีลสสังวระหรือสังวรความระวังชื่อว่าศีลหอวีติกมะความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลการประหาร ความงดเว้นความจงใจความระวังความไม่ล่วงละเมิดซึ่งอถินนาทานการเมสุมิจฉาจารมุตสาวาตปิสุณวาจาภรุสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิชื่อว่าศีลการประหารการมฉันทะด้วยเนคขมะประหารพยาบาทด้วยอัพยาบาท ประหารทีนามิทะด้วยอโลกสัญญาประหารอุทัจจัด้วยอวิเคปะประหารวิจิกิจชาด้วยธรรมะวาวัฏฐานประหารอวิชาด้วยยานประหารอารติด้วยปราโมทประหารนิวรทั้งหลายด้วยปฐมฌานประหารวิตกวิจานด้วยทุติยฌานประหารปีติด้วยตติยฌาน ประหารสุขและทุกข์ด้วยจัตุตถาชานประหารรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาอนัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติประหารอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญญาตนะสมาบัติประหารวิญญาณัญญาตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติประหารอากินจัญญายตนะสัญญา ด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติประหานิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาประหารสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาประหารอตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนาประหารนันทิด้วยนิพิทานุปัสนาประหารราคะด้วย aka, วิราคานุปัสนา ประหารสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนาประหารอมุญจิตุกามยะด้วยมุญจิตุกามายะตานุปัสนาประหารอาทานะด้วยปฏินิสัคานุปัสนาประหารคณะสัญญาด้วยขยานุปัสนาประหารอายุหณนะด้วยวายานุปัสนาประหารทุวาสัญญา ด้วยวิปริณามานุปัสสนาประหาร น, นิมิตรด้วยอนิมิตตานุปสัสสนาประหารปณิธิด้วยอัปานิหิตานุปัสสนาประหารอภินิเวสะด้วยสุ ญ, ญตานุปัสสนาประหารสาราธานาภินิเวสะด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาประหารสัมโมหภินิเวสะ ด้วยยถาภูตยานัทสนะประหารอารยะพินิเวสะด้วยอาทินวานุปัสนาประหารอัปาติสังขารด้วยปฏิสังขานุปัสนาประหารสังโยคาพินิเวสะด้วยวิวัตานุปัสนาประหารกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในฐานเดียวกับทิฏฐิด้วยโสตาปฏิมัก ประหารกิเลส ช, ชั้นหยาบทั้งหลายด้วยสกัดทาคามิมักประหารกิเลส ช, ชั้นละเอียดทั้งหลายด้วยอนาคามิมักประหารกิเลสอย่างสิ้นเชิงด้วยอารหัตตมักชื่อว่าศีลความงดเว้นความจงใจความระวังความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลเห็นปานดังนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตเป็นไปเพื่อปราโมทเป็นไปเพื่อปัจสถานเป็นไปเพื่อสมนัสเป็นไปเพื่ออเสวนาเป็นไปเพื่อภาวนาเป็นไปเพื่อทำให้มากเป็นไปเพื่ออลังการเป็นไปเพื่อบริขารเป็นไปเพื่อบริวานเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความสำรอก เพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็แลในธรรมะห้าอย่างนั้นธรรมะอะไรอะไรที่ชื่อว่าประหารย่อมไม่มีเป็นแต่เพียงเว้นความไม่บังเกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นมีประการดังกล่าวแล้วอันหนึ่ง โดยที่การประหารนั้นๆย่อมเป็นการรองรับและอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนั้นๆและเป็นการดำรงอยู่โดยเรียบร้อยเพราะไม่กระทําความเกะกะเพราะเหตุนั้นการประหารจึงเรียกว่าศีลเพราะอัตถว่าความปกติกล่าวคือความรองรับและความดำรงอยู่ โดยเรียบร้อยซึ่งได้พัฒ น, นามาแล้วในตอนต้นนั่นแหลธรรมะสี่อย่างนอกจากนี้คือเว ร, รมณีเจตนาสังวรและอวีติกมะท่านกล่าวไว้โดยหมายเอาสภาพที่เป็นไปของจิตด้วยสามารถแห่งความงดเว้นจากบาปธรรมนั้นๆหนึ่งด้วยสามารถแห่งความระงับซึ่งบาปธรรมนั้นๆหนึ่ง ด้วยสามารถแห่งความจงใจที่ประกอบด้วยความงดเว้นและความระวังทั้งสองนั้นหนึ่งด้วยสามารถแห่งความไม่ล่วงละเมิด บ, บาปธรรมนั้นๆของบุคคลผู้ไม่ล่วงละเมิดอยู่หนึ่งส่วนอธาธิบายแห่งธรรมะสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าศีลท้าพระเจ้าอธิบายไว้แล้วในตอนต้นนั่นเทียวศีลห้าอย่าง โดยแยกเป็นปหาหน้าศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้ก็แลการวิสัชนาปัญหาเหล่านี้คืออะไรชื่อว่าศีลหนึ่งที่ชื่อว่าศีลเพราะอัตถะว่ากระไรหนึ่งอะไรเป็นลักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏและเป็นประทัดฐานของศีลหนึ่งศีลมีอ น, นิสงส์งอย่างไรหนึ่งและศีลนี้มีกี่อย่างหนึ่งดังนี้ เป็นอันจบลงด้วยอัธถาที่บายเพียงเท่านี้